ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรม 11 เมษายน 2536 ที่ ผู้ยังมั่นใจในศาสนาพระพุทธเจ้าอยู่ <c oughs> เห็นอธิบายโดยภาษาตนเองมากจึงแล้วอาตมาก็นําความจริง อันไหนก็เกลียดกันไม่ได้ขัด ทำลายล้างก็และผลในการเปิดเผยที่ชับเท่าใดใจต่างๆนานามันชัดมันก็ คือโปรตีนสิ่งสภาพเสพอร่อยเสพความ เราจะอยู่สุขๆอย่างไรความสุขที่ไม่บังเอิญอ่ะถ้ามันมีอย่างใด ไม่ต้องบำเรออะไรแล้วก็อยู่ได้สบายมันก็คือหมายความ เขาอร่อยในรถสุขนั่นแหละมันเป็นทุกข์ของเขาคน จนกว่าเขาจะปล่อยวางได้ไม่มีสุขเรารู้สึกกับโลก วางดีกว่าเลิกดีกว่าไม่ต้องอะเรก ให้เราเข้าใจได้ระลึกได้ตามได้จนกระทั่งเรียนรู้ตามแล้ว เราจะพบสิ่งที่เรายิ่งติดอยู่ติดอยู่แล้วมันก็เป็นรถ มันจะเฉยแล้วเนี่ยอุเบกขาหรืออทุกขมสุขแล้วมันเป็น นายลองเออคนที่ติดสิ่งเหล่านี้มันๆงามๆพวกเนี้ยมาเออกลาง มันไม่มีสุขไม่มีทุกข์อะไรหรอกคนก็สุขเราก็เข้าใจ แล้วก็หัดละหัดวางไปเรื่อยแล้วมันก็จะอตุ๊กกมสุขเหมือนกัน ประสบความอัตมาก็พยามอธิบายๆ กล้าละกล้าวางกล้ามาเป็นคนที่ไม่ สภาพเป็นได้จริงแล้วกับปัญญาเห็นชัดจริงแล้วบรรลุแต่บุหรี่ รูปรกถึงเสียงสัมผัสหรือว่าโลกธรรมลาภยศสรรเสริญโลเกียสุขอะไรจนกระทั่ง ล้วละอะไรอะไรทางโลกีนะลูกลบ ซ้อนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่คลายไม่ออกหนักเข้าก็เครียดหนักคน <c oughs> <c oughs> ในฐานะคนมีบุญบารมีพอสมควรแล้วนี่อบายมุขนี่มันง่ายอบายมุขก็อ่า แล้วๆกามคุณแลแล 5 เนี่ย 8 8 ศีล 8 เนี่ยสักทาคามีศีล 10 ขึ้นไปนี่อนาคามีแล้ว คุณจะบอกว่าคุณไม่ติดเงินไม่ติดทองแล้วอย่าง หนักเข้าไปไปหนักเข้าไปแต่งงงแต่งงาน สมบูรณ์เด้อเจ้าอุปปโตภาคเคยหมดพอเวียนกลับไปบัดเดี๋ยวคืน มันยากสิ่งแวดล้อมและหมู่มิตรดีสหายดี ถ้าสภาวะ 4 ดีๆไปสิ่งแวดล้อมที่ดีนี่น่ะมัน นะเลื่อนไหลลงมาได้ต้องศึกศึกเออคนบางคนก็ดีขึ้นนี่นะบางคนก็ดีขึ้นนะ แรงงานหรือว่ามาร่วมรวมทํางาน หนักเข้านานเข้าหลายครั้งเข้าอัตตามันก็ไม่ยอมแตกไม่ยอมแตกมัน แม้คนจะลักกามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาภวตัณหานี่คืออัตตามานะนะภวตัณหานี่คือ เพราะเนี่ยขณะที่เราเองเราใช้วิภวตัณหาเป็นตัณหาอุดมการณ์มา อัตตาก็ลดลดน้อยลงบ้างไปตามลําดับตามลําดับอาชีพ จะเป็นรูปลักษณะจะเป็นการสัพพะไหนๆตาม ผู้ที่มีคุณธรรมนั้นก็ทํางานนั้นได้กิเลสตัณหาน้อยเท่าใดอ่ายิ่งอยากทํางานมากขึ้นๆ ถ้าเราก็เรียนวิภวตัณหาด้วยก็หัดปล่อยหัดวางว่า อ่าตามความๆแล้วแต่แม้แต่พบสงบพบขี้ อ่าอาไส้แซกๆซนๆอยู่กับหมู่ เพราะงานหนักงานที่จะแล้วๆๆ มันจะรู้สึกว่าได้ความจริงว่าเราได้ออกกําลังกายเลย เป็นตนัดคิดเราก็ๆอ่าอาตมาอยากทําใจเราจะ อ๋อมันเป็นคุณค่าจริงๆเป็นคุณค่าจริงๆแล้วมันเกิดการประสานสมานมันลดการ บทโหมันสมานชั้น 1 เลยเราจะเห็นได้โอ้มันเป็นสามัคคีธรรมมันเป็นสมานัตตตามันเป็นความเท่า อัตตาพูดไม่จริงแล้วเอาไปฆ่าเลยแต่คนไม่ๆสมัคร นี่ลบไปๆไม่เอาเอาหนักนิดๆอะไรอย่างๆคนเนี่ยมัน เป็นคนสูงยิ่งสูงเท่าไหร่มันยิ่งโอ้โหน้ําใจมันมาพึบๆ เวลาไปประสมประสานในเราได้น้อยเขาก็ มาจะตรุยขี้ด้วยบอกไม่ต้องท่านไปโน่นเลยท่าน แล้วก็เอาตัวเองเนี่ยฉันเนี่ยหาทางฉลาดๆก็ ถ้าเราไม่ยึดติดความรู้ของเรานะทําไป แมะคุณจะถูกก็ไม่ต้องไปเสียดสมเสียดรายไม่ต้อง จับตะน่ะมันไม่เพียรหรอกมันก็เดินไปเองมันอาจจริงตาม เพราะกันที่ทุกข์ติดเครียดที่ลําบากลําบนโอ้โหพ่อก็ไม่ เอาเถอะไปเถอะถ้าคุณมีเนื้อแท้ของอโศกจริงๆก็คือเสียผิดคุณถูกก็ มันๆๆอโศกก็ฝ่อเองแล้วคุณก็เจริญแล้วคุณแล้วอโศกก็เกือบกัดกลับเติบ ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรแล้วก็งกแง้งงกแง้งไปงั้นน่ะดี หนักๆเข้าก็ไปคบกับสวยๆๆๆๆตกทั้งขี้ๆเนี่ยอาตมาก็ ก็เป็นภาระของเราเสียไปเสียเวลาเสียช้าเนิ่นช้า เอาเอาเอาแรงเพื่อนเอาแต่ ส่วนคนที่ได้ดีขึ้นส่วนๆได้ค่อยๆอะไรขึ้นมาเพิ่ม มาก็ก็ก็หรือบางทีมาก็พอเดี๋ยวก็ละมาถึงก็พอเดี๋ยวก็ พอมานี่หนักมีแต่งานแม้นมีแต่งานเหมือนก็โสโครกมีแต่งานมันไม่เหมือนบ้านรอบบ้านน่ะ ถึงแม้คุณจะอยู่สะอาดอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่า ปูปากเก้หรือว่าปูด้วยสลัมิกปูโรคจะเยอะกว่าไอ้นอน หมอที่พูดคนนั้นก็คือหมออะไรสามีจิต คนไปนอนเตียงฟูกเตียงเยอะเยอะหมอรุ่งธรรมรัฐพลนะอย่างนี้เป็นต้นนะหรือ ภูมิคุ้มกันตัวเองมันแอนติบอดีมันเลวรถเลวร้ายเนี่ย มันทนทานน้อยมันก็ป่วยง่ายอะไรนิดนึงเกินนิดๆอย่างเราก็รับได้ ก็เราไม่ต้องไปฉีดลงได้ตามธรรมชาติต่างๆนานาสารพัดๆแต่ มันคนดอนทุกวันนี้เนี่ยเรียนกันหรือว่าชี้นํากันมี ฝุ่นทนหลายๆชนิดทนได้เก่งได้ดีนี่คือความแข็งแรงใช่ไหม ทุกวันนี้เนี่ยโลกมันพร่องเป็นนิดอะไรก็จะ นายว่างแต่ก็อยู่ปีปีไม่ใช่พึ่ง 2,000 ปีไม่ใช่พึ่ง เป็นตอบสิมีกุศลหรืออกุศลล่ะตอบสิฮะมันยิ่งค่าทางวิญญาณคนคนสร้าง พอค่านิยมลึกๆในจิตใจมันอยากไปอยู่หอคอยงาช้างเป็นคุณ ค่าแรงงานค่าของบุญมากกว่านะพระทั้งสูงกว่าค่าแรงงาน อาตมาว่าพวกเราจริงๆมันลึกซึ้งมันซับซ้อนลึกซึ้งของค่ากับ แต่ซับซ้อนคืออำนาจเงินเอาอำนาจเกียรติยศเอาอำนาจแบบ จะได้รับถ่ายทอดเค้ายอมเพราะอย่างนั้นไม่ได้บริสุทธิ์ใจ น่าจะสรรเสริญยลยอไม่ได้สะสมไม่ๆนะแต่ยศก็ดีสรรเสริญก็ มันพูดไม่ได้คนยิ่งเคารพเชิดชูบูชาๆที่อาตมาไม่มียศ แต่ยังไงยังไงก็ตามเราก็ต้องมาเรียนรู้ใจของ สาศักดิ์ของอัตตามานะไอ้ยศฐานะสรรเสริญนี่ก็คืออัตตามานะ เนี่ยๆอยู่ถ้าเราไม่ถือดีไม่ถือตัวเขา ไม่เช่นนั้นละไม่มีทางจะไปถึงอรหัตตภูมิไม่ ถ้าใครฟังรู้เรื่องแล้วก็ไม่ฝึกฝนเอาก็ช้า ไปถึงบ้านก็พูดกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับไม่รู้เรื่องไอ้ เสร็จแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงเอ้ายังไงก็เพื่อนอยู่บ้านมันนี่แหละก็ทํางานสิรู้สิเอาใหญ่อ้าวเมื่อไม่ มอบตัวในทางผิดทํากิจการนั้นโดย เราก็คือตัวรับใช้อยู่ในทางโลกก็ไม่คิด คุณก็คือไว้หนักเค้าก็ไปหาโกยเอาทั้งหมดคุณ <c oughs> ก็พอเราได้รู้ไปทั่วมุมถ้ามีปฏิพานก็คิดเข้า และไม่ได้เร็วไม่ได้เร็วก็พอตัวเอาเฉโกด้วยความฉลาดเออหา แต่ความเต็มใจจะมีแม้เออเอ็งทําดี อ่าเราก็จะๆเข้าใจๆพอสมควรๆนี่ ความเกิดความผลักดันการสังเคราะห์ทุกอย่างมันจะได้ ตัวมนุษย์ธาตุดินธาตุน้ําเนี่ยเป็นตัวธาตุ ตั้งแต่ยันกระดูกมาจนกระทั่งถึงก้อน ก็ยิ่งยิ่งพูดด้วยภาษาง่ายๆให้ฟังอ่ะนะเกิน อรหันต์ได้บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสบอกตั้งตนอยู่ๆทําก็ยิ่งจะรู้ความ เขาจะเกิดความชอบการชังแม้ ประมาณสัดส่วนกรรมกิริยาตอบรับกันอยู่รวม แล้วอัตมาอธิบายเรื่องๆๆเรื่อง 4 5 7 8 หรือ 4 5 7 8 2 3 พระ หน้าที่บอกว่าเอ่ออวิชชาไม่ใช่ไม่มีอาหารอะไรพวกนี้อะไรไปจนกระทั่งอะไรพวก แล้วมันจะเกิดอะไรๆนานานี่ยังจะอธิบายฟัง แต่คนมากพอสมควรก็จะเอาหลักเกณฑ์พวกนี้มาอธิบาย อะไรนอกสูตรศาสนาพุทธนอกสูตร 4578 แล้วไม่มีไม่มีอยู่ในนั้นหมดเลย นะอ่าผู้เขียนอุตตรนิยมธรรมขึ้นมาเนี่ยโอ้โห กลายเป็นว่าจริงเงื่อนไขละเอียดละออแต่ มีมณีในมัชฌิตถาคตนะจะออกท่าออกทางแสดงละครให้ พระพุทธเจ้าก็ไม่ออกแอคทาอย่างอาตมาหรอกเสียงก็ไม่ทําอย่าง จริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยยอดยกตัวยกตนยอดอตุต พอเราจักจะเข้าใจแล้วจักจะดีถ้าออก พระปรมาจารย์เจ้าที่มีอุตตรมโนธรรมจริงท่านย่อมมีญาณปัญญาประมานและรู้จักโอกาสกาลเทศะ เหมือนก็จอมยุทธน่ะนะอาตมาจะต้องแพ้พิษนี้ได้แล้วเพราะอาตมา อ่ะเอาค่อย หาบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้วกล่าวอยู่ ถ้าบุคคลทําอยู่ก็ตามสุขย่อมไปตามบุคคลนั้นผ่องใสกล่าวฉะนั้นกดทนว่า คนโน้นได้ชนะเราคนโน้นได้ลักสิ่งของย่อมว่า ย่อมในการไหนไหนใน